ความมืดของวัตะวนไม่เหมือนความมืดแผ่นดินฟ้าอากาศผิดกันอยู่มากมายความมืดของดินฟ้าอากาศ น, นั้นันมีมืดมีสว่างผาดเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆแต่ความมืดของวัตะวนภายในจิตใจของสัตว์โลกทั่วทั่วไป เป็นความมืด อ, อยู่อย่างนั้นโดยสม่งเสมอไม่ปรากฏว่ามีความสว่างสวายเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนอย่างดินฟ้าอากาศนั่นเลยเพราะนั้นมนุนาสัตว์ที่มาเกิดจึงมาเกิดด้วยความมืด อ, อยู่ด้วยความมืด ตายไปด้วยความมืดเ็แล้วไปเกิดอีกก็ด้วยความมืดเพราะอะไรถึงว่ามืดมืดเพราะไม่รู้ ม, มาเกิดก่อนจะมาเกิดก็ก็ไม่ทราบว่าจะไปเกิดที่ไหดกลิ้งไปอย่างนั้นอ่ะเหมือนฟุตบอลอะไรทำนองนั้แล้วจะ ก, กรรมจะพาไปจริง กล่าวไว้ว่ากำลังสเตวิพัฒติจดีดังหินับปณีต่างกามเป็นเครื่องจำแนกแจกใสให้ปณิตหรือเรือยสามต่างกันหากว่าเราได้มาเกิดด้วยความสว่างสวัยด้วยความเข้าด้วยความเข้าใจเช่นเดียวกับเราเคยไปสู่สถานที่ต่างๆแล้วเราก็ไม่หลงทาง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 กี่กำเนิดของสัตว์ของบุคคลของอะไรก็แล้วแต่มันสับปนละคนอยู่ภายในมนุษย์แต่ละคนละคนภายในสัตว์แต่ละลายละลายจนนับไม่ท่วนเพียงรายเดียวเท่านั้นน่ะที่เป็นความสลับซับซ้อนซ้ําำๆตัดๆในความเกิดตายของตัวเองแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างอยู่สถานที่ใดบ้าง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 เราเป็นตัวการแต่และคนละคนถ้าจะนำเรื่องการเกิดตายออกมาสู่ตลาดโลกนี้แล้วมันรู้สึกจะเต็มโลกเลยเพียงเรื่องของคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวก็ดีไปไหนเหยียบย่ำตั้งแต่ปา่ปชาชตป่าตของตัวเองเท่านั้นแล้วคนนั้นก็เกิดคนนี้ก็ตาย สับปนละคนกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไปที่ไหนที่จะมาเจอป่ายช้าของสัตโลกผู้มืดบอดมีหรือไม่มีตายทำท่อมทับสาบตายทับตายผมทั้งเขาทั้งเรามันเป็นแบบเดียวกันมาด้วยความมืดบอดที่ไม่เข้าใจตัวเองเลยไม่เข้าใจเรื่องของตัวเองเลยนี่มันเป็นทํานองเดียวกันนี้มันเต็มโลกเต็มสงศาลแล้วสถานที่ใดจะมาเหยียบปลายช้าของเขาและของเราานั้น มันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตามหลักความจริงแหตุธรรมที่ท่านสอนไม่แล้ว่างเรียก ว, ว่าความมืดบอดมันเป็นอย่างนี้ตั้ ง, งที่รู้รอยู่มัน ก, ก็แต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นรู้วิถีทางเป็นมาของเรามีความหนักเบามากน้อยเพียงไ ร, รมีความสุขความสบายยังไง ในการที่ผ่านมาแล้วในพบความหนดที่ผ่านมาแล้วพบนั้นพบนั้นพบนั้ น, น, นมาทางไม่มากก็พอจําได้บางเล็ก น, น้อยกับความเชื่อพอที่จะพูดได้ว่าอา๋อสว่างมาหน่อย อ, ออบางเล็กนั้นยจะมาเกิดที่นี่ก็ไม่ทราบว่ามาได้ด้วยยังไงแล้วทําไมถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราเห็นดังตัวของเราเองนี่แหละมาจากที่ไหนถึงมาปรากฏเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมานี่เราไม่ทราบเหตุผลมันมีที่จะให้มาเกิดเป็น อย่างนี้ก็ดีให้เกิดเป็นสัตว์ก็ดีเหตุผลตามหลักของธรรมตามหลักธรรมชาติมีที่นี้เราไม่รู้ยแล้วที่นี้เราจะเอาความไม่รู้นี่ว่าเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายมายืนยันอย่างนี้มาลบล้างความจริงวันนั้นมันก็ลบล้างไม่ได้เเนี่ยพ้ามันไม่จริงทานมันจริงก็ไม่เรียกว่าเรามืดบอด เราทราบตามความคิดนั้นนี่เราไม่ทราบเวลามาก็อาศัยกรรมทึ่เอย่างเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ด้วยอำนาจวา ส, สนาที่เคยได้สังสมไว้แล้วตั้งแต่บุพเพชาติเป็นลํำดับําับมาแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นอกจากนั้นอุปนิสัยของเรายังมีอยู่ภายในจิตใจบรรลุมนแ ด, น, น, ดนให้พบศาสนธรรมอันเป็นประทีบดวงไฟ สแสงสว่างให้เป็นทางเดินของเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วพอจะได้ละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรและบำเพ็ญในสิ่งที่ควรส่งเสริมในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจของตอนแล้วให้มีความเจริญยิ่งขึ้นเพื่อในการข้างหน้าแม้เราจะไม่มีความสามารถที่จะแทงทะลุรูปลงไป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 ศักแต่ว่ากิริยาที่ทําในอัตภาพคือกานพ้นไปแล้วนั้นนับแต่ขณะที่พ้นไปแล้วคำว่ากรรมก็ไม่สามารถที่จะเหยียบย่ำทําลายจิตใจของท่านได้อีกต่อไปยึงว่ากรรมไม่มีปัญหาท่านผู้เช น, นั้นแล้วแต่เรานี้ไม่ยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการสร้างความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับส น, นุนเป็นเข็มทิศอันดีงามเป็นทางที่ถูกต้องให้เราได้อาศัยเกาะไปกับสิ่งที่ดีนั้น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 เวลาความจริงหนีเราเป็นผู้ชั่วกรมเราท้องนั้นอุตส่าห์พยายามที่จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามดังที่เราทั้งหลายเราบาเพ็ญกันอยู่เวลานี้ไม่ว่าฝ่ายนักบวชไม่ว่าผู้คณะศรัทธาทั้งหลายที่มาก็ต้องมีความลำบากต้องฝ่าฟื้นเพราะอยากดีอยากรู้อยากได้ของดี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 แทงเท้ากูกรงไปหมดไม่มีอะไรเหลือที่จะปิดบังได้ตามหลักธรรมท่านว่าไว้สี่แยกเป็นสีขแขนงสีประเภทตโมตะมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปนี่อันนี้นตโมโชติปรายโนมืดมาแต่สว่างไป โชติโชติปราญโนโทั้งสว่างมาทั้งสว่างไปนี่หมายถึงความสว่างเมื่อคุณสนเรื่องการประพฤติว่าขมามืดมามืดไปนั่นก็มาเกิดก็จักแต่ว่ามาเกิดเกิดแล้วเพีงแต่ร่างเป็นมนุษย์จิตใจที่จะใฝ่ต่อบุญต่อคุณสนเชื่อต่อบาปต่อบุญนั้นไม่มีเลยเรียกว่ามืดมาก็มืดมาอย่างนั้นะดูก็มืดดูไปก็มืดไป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 แต่เพียงว่าหลักใหญ่พอให้เราได้นบบํนาไปพิจารณาคําว่ามืดนั้นมืดเพราะอะไรมืดเพราะกิเลสตัณหาอาสวะมืดเพราะบาปอกุศลคำว่าสว่างนั้นสว่างเพราะธรรมคือคุณธรรมคุณงามความดีมีฐานสิพนพะ orna เป็นต้นนี่เป็นความสว่างด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยคุณธรรมเหล่านี้ถ้าคุณธรรมเหล่านี้มีมากก็สามารถที่จะแทงทะลุในปัจจุบันาชาติ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 การปฏิบัติศีลธรรมรักษาศีลชาติธรร ม, สสรรมนี่ถึงชื่อว่าเป็นการบำบุงส่งเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้มากหรือเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลําดับลําดับคําว่าการส่งเสริมนั้นก็คือการบำบุงต้องเจริญขึ้นโดยลำํำดับลำดับอะไรก็ตามเมื่อรับการบำบ ulong ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มีวิญญาณก็เติบโตขึ้นแม้แต่ต้นไมกน้ก็ยังต้องเติบโตเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ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 หรือผู้ใดที่จะพอปวดเปื้อนความทุกข์ความลำบากภายใจิตใจของตนให้ออกได้หรือออกจากทางกายที่มีการเจ็บไข้ได้ปวด่วยก็อยากจะให้ใบ ป, ปึ่งพาผู้นั้นให้ช่วยปวดเปื้องแต่นี้ต่างคนต่างจําเป็นมีภาระเท่ากันหนักเท่ากันจะยกขอความคนอื่นมาลาบอีกก็ไม่ได้จะไปแบง่งหนักแบ่งเบาให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีมีตั้งแต่บุบายช่วยสอนเงินไปแล้วนั้นน่ะี่เราพอจะทราบได้ว่าจิตนี้มีความ ร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอและจากตัวเองนั่นแหละโดยเฉพาะแล้วเราจะหาอุบายวิธีใดสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจให้ได้สมความมุ่งหมายของใจที่ต้องการความสุขเหตุใดใจจึงต้องการความสุขเพราะใจมีแต่ความทุกข์คอยบีบขั้นอยู่เรื่อยๆมาบางทีก็มากบางทีก็น้อยอย่างไรก็าตามก็ไม่พ้นจาก ภาระไม่พ้นจากสิ่งที่กดทั่วจิตใจอันเป็นเรื่องของทุกข์นั้นเลยก็มีเราเท่านั้นที่จะพยายามปลดเปลื้องสิ่งที่กดขี่บังคับจิตใจให้มีความสะดวกสบายเฉพาะอย่างยิ่งมีความสงบเย็นใจในขณะที่ภาวนาหนีสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจและพยายามแก้ไขก็โดยลำหนักความต้องการของใจนั้นก็จะปรากฏขึ้นเรื่อย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 ถ้าอยู่ในความปลอดภัยอย่างน้อยกับความปลอดภัยมากกว่านั้นกับความเจเย็นก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำหนักด้วยการประกอบคุณงามความดีอย่างไรเราก็จะต้องได้พึ่งเราอยู่โดยดีอัตตาเหิตรโนนาโผลนี้จะพ้นไปไม่ได้ในเวลาที่ขับเขา้าที่ขับขันพ่อก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นแม่ยกไว้ไม่ปฏิเสธ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 จะยกตัวพอไหวไหมจากทุกจากความลำบากลำบนจากความกระทบกระเทือนในระหว่างกายกับจิตเนีเช่นเกิดความเก็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหนักเข้ามาหนักเข้ามาเป็นไงจะยกไหวไหมสติปัญญาเราจะยกไหวไหมความเฉลี่ยฉลาดสามารถเพียงแค่ไหนที่จะหลบปีกปีกตัวได้จากความทุกข์ที่ประดังกันเข้ามารอบตัวเนี่เออไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบตัวมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ฟืนแต่ไฟเราจะมีอุบายวิธีอย่างไรบ้างจะพอสู้ไหวไหมนี่เราพยายาม ตวงยกตวงเจ้าของทดสอบเจ้าของทเทียบเชียงเหตุผลเจ้าของว่าเป็นยังไงพอไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมตั้งแต่บัดนี้เรื่อยๆไปนี่เรียกว่าอัตติหินูนาโถพยายามช่วยตัวเองอย่างนี้จึงกระทั่งเป็นที่แน่ใจพอแน่ใจแล้วปัญหาแล้วนี้ตกไปหมดเลยหนักนี่เราเรียกว่าช่วยตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วไม่มีปัญหาช่วยโดยทางจิจตภาวานาพิจารณาตนเป็นอย่าง เพราะ ท, ทาลาอันนี้หนักมากฆาสึกอันนี้หนักมากยิ่งกว่าฆาสึกใดฆาสึกในธาตุในขันถึงวาระจะไปจริงๆโอ้โหขยเยาให้สะเทือนหมดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นไฟไประตามกันหมดทีเดียวถ้ามีเครื่องดับไฟอยู่ภายในจิตคือสติปัญญาสามารถพิจารณารอบพ่อให้เห็นเหตุเห็นผลแยกส่วนดังส่วนออกหน้าอย่าง ชัดเจนประจักษ์ภายในใจผู้นั้นละ่ะคือว่าอัาตติอิสตโนนาโถได้เต็มผูไม่เลือดรอ้อนเอยกไม่ไหวแล้วเหลือส่วนที่ยกไม่ไหวก็ทิ้งซะทีนานอันไหนที่ยกไหวแล้วอ้าจิตเนี่ยยกด้วยสติปัญญาไหวผ่านนานอันไหนที่ยกไม่ไหวธาตุขันมั น, นหนักพาราฮเวปันจักขันธาพาระพาระหาโลจะปุขโรภาระอันขันธานเป็นพาระอันหนักนะเออ้อพี่นะด้วยปัญญาแล้วปล่อยมัน ถึงขาจะปล่อยปลอยด้วยกันทุกคนจะหึงหวงไว้ไม่ได้เอปลอยให้ปลอยด้วยปัญญาอย่าไปห่วงอย่าไปหวงหวงก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความทุกข์กขึ้นแต่จะของเฉยๆเพราะฝืนเหตุฝืนผลฝืนหลักความจริงการปล่อยลงด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงปล่อยตามสภาพแห่งความจริงนั้นแหละคือทางเดินของสติทางเดินของปัญญาเป็นทางราบรื่นของใจที่จะไปอย่างไม่อะไรหายไม่อะไรไม่ห่วงใหญ่เดี๋ยวหายห่วงนี่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 เราเป็นเจ้าของเราต้องพิจารณาแยกแยะออกหาทางหลีกหลบภัยได้ด้วยปัญญานั่นชื่อว่าอัตติหตโนนาโถไม่ผิดนี่แหละธรรมบทนี้มีความจาเป็นอย่างนี้ยิ่งเข้าตาจนเท่าไหร่อัตตเหตโนนาโถจะมาทันทีไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นที่จะที่จะหวังให้ช่วยเราเรายังหวังอย่างนั้นแสดงว่าจะก่อความเดื อ, รอดร้อนให้แก่เรามากมา เราไม่หวังทั้งหมดสาธุพูดไม่ประมาทเราพูดตามความจริงพ่อก็พ่อขอให้นั่งอยู่สบายของเรื่องของพ่อของแม่ของแม่ญาติวงถ้ามีภรรยาก็ให้อยู่ตามสภาพของสิ่งนั้นๆในขณะนั้นจะไปกังวลวุ่นวายไม่ได้จะผิดจ า, จากหลักอัตตอัตตาเหตุตนูนารโถตนกำลังจะยกตนแต่ให้คนอื่นมายกแล้วคว้าจากคนอื่นนึกยุ่งไปใหญ่เลยพึ่งตนเองไม่ได้นั่นยิ่งเสียหลักถ้าเป็นเรือแล้วก็จม เพื่อความถูกต้องถึงวาระจำเป็นเข้ามาจริงต้องเป็นอย่างนั้นต้องปล่อยวานไว้ตามเป็นจริงสิงในใดสิในใดก็ทราบแล้วว่าสินนั้นเป็นนั้นสินนี้เป็นนี้ให้ปล่อยตามสภาพเราจะไปขวางเวลานั่นเที่ยวเราจะไปขวางเรือปล่อยให้มันหลไป อ, อันนี้เหมือนกัน คติธรรมชาติคติธรมรมนานี่เป็นเรื่องใหญ่โตเราต้องทราบด้วยปัญญาปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงเราก็ผ่านได้อย่างสบายหายห่วงเรื่องอัตตาอิจนนาโถภูยังไม่เข้าใจคําว่าอัตตาอิจนนาโตนี่กรุณาพิจารณาให้ดีนี่เป็นทำขั้นสูงไปโดยลำดับส่วนขั้นตะขั้นต่ําำทั่ ว, ท, วทั่วไปนั้นอัตนนติจนนาโถตอนในที่ยื่งของตนนั้นแม้แต่คนใช้ถ้าไม่ดีแล้ว ตัวเองไม่ดีแลจะไปให้ใครช่วยได้ล่ะ <Yeah. S 1> ไปอยู่อาศัยกับใครก็ตัวต้องเป็นคนดีบอกนอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนเป็นคนขยันหมั่นเพียร <Yeah. Yeah. S 1> ถ้าตัวมีมีควรเป็นที่พึ่งของตัวได้พอเป็นที่มั่นใจจะได้คนอื่นก็สงสารคนอื่นก็ช่วยเหลือได้ถ้าตนของตันไม่มีแก่ใจที่จะพึ่งตนได้สักอย่างเดียวเลยไปที่ไหนก็เท่าเดิม yeah. น, นี่ จนการทำธรรมภายนก็เหมือนกันอย่างนั้นเราพร้อมสเสมอที่จะรับจากฟังจะปฏิบัติตนแก้ไขตนเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์จากธรรมในบทต่างๆหรือสูตรต่างๆคัมภีร์ต่างๆี่ยพร้อมที่จะดําเนินตนไปตามหลักธรรมนั้นๆนี่คือว่าเราเป็นเครื่องมือของเราก็พร้อมสเสมอพอพึ่งตนเองได้ด้วยเครื่องมือพึ่งตนเองได้ด้วยการปฏิบัติพึ่งตนเองได้ด้วยสติปัญญารู้ท้นเปน็นรดะดับด้วยการพึ่งตนเองนี่ หลับไเป็นอย่างนั้นเยสร้างความสว่างสร้างขึ้นที่ใจเพราะความมืดมันอยู่ที่ใจอากาศมืดเดี๋ยวนี้มืดมันพรุ่งนี้สว่างขึ้นมาได้เอจิตมืดมันสว่างไม่ได้ถ้าไม่แก้ไม่ตามไฟคือสติ ป, ปัญญาจตหาความเพียนเข้าไปหาจิตจิตจะหาความสว่างไม่ได้เออเพราะจิตไม่ใช่ดวงอาทิตย์เอจิตเป็นจิตจะสว่างด้วยปัญญา เราต้องพยายามสร้างความสว่างขึ้นภายในจิตอ้าวที่จะมืดมากอให้สว่างไปหรือสว่างอยู่สว่างไปเป็นสุขโตขอให้ทุกๆกท่านนำไปพิจารนาการแสดงธรรมก็ เ, เห็นต้งขวัจึงขอโยตดเพียงเท่านี้